ธรรมชาดกแผ่นที่สองลำดับที่ยี่สิบเอ็ดโดยหลวงพ่ อ, อินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่ยี่สิบมีนาคม2548มีชื่อเรื่องว่าลูกกษัตริย์ดัดด้วยไม้เรียวเมื่อวานมียมขนนมจากกรุงเทพ จะขึ้นไปชมกุฎหลวงพ่อเหมืงนงั้นพอไปชนีมันมันหวงกุฎหลวงพ่อเนี่ยบางครั้งถ้ามันอยู่แถวนั้นคนขึ้นไปเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่อยากจะให้ขึ้นไปเหมอนงั้นเลยครั้งหนึ่งชาวจังหวัดมุกดาหารขึ้นไปกุฏิหลวงพ่อพอไปมาก็ขวางประตูไม่ให้ขึ้นแต่เนี้องมนก็ออกไปข้างนอกข้างนอกบอก มันก็ไล่คนเลยมันได้คนคนก็คิดว่าชนีไล่เหมือนกับหมาใช่ไหมล่ะพอพอหมาไล่มันก็ต้องวิ่งขึ้นที่สูงใช่ไหมก็จบใช่ไหอพอหมาไล่มันก็ต้องวิ่งขึ้นบันไดแล้วก็จบใช่ไหมทีนี้ชนีไล่มันก็วิ่งขึ้นบันไดพอาะวิ่งขึ้นบันไดมันก็ถูกจังหวะชนีพอดีก็โดดขึ้นกาะบันไดแตชันนี้มันก็โดดสูงไดใช่ไหม โดดขึ้นไปเกาะบันไดเกาะเราบันไดมากระตบหัวคนเลยเหงือนกั <c oughs> นเถอะคนยังคนยังไม่ได้ขึ้นมากุฏิล่งพ่อเลยเหมือนนยังไม่ได้ขึ้นเลยเหมือนนเะมันอยู่เกาะอยู่เราลูกกองเงินเอามือตอบหัวคนเลยเหมือนนโอ้ยคนวิ่งออกมาวิ่งมาถึงศาลาเลยเ ก, <c oughs> เกือบจะได้เกือบี่ได้เอาน้ําสาดเหมือนกันแต่มันมันเหนื่อยมันจะเป็นลมพอกลับไปถึงบ้านเป็นไข้เลยเหมือนกันเถอะ เป็นเป็นไข้บกขวัญหนีดีฟอร์กนเถอะชนินีตบหัวงันเถอะอเนี่ยไอ้ชมชัยเนี่ยนะไม่ใช่ธรรมดานี่นะหลวงพ่อเคยบอกพวกกลุ่มไหนตกลุ่มไหนมาเวลาเห็นชนินีชมชัยอย่าไปอยไปวิสาสะกับมันนะอถ้าไปวิสาสะกับมันไม่ได้เพราะว่ามันมันเป็นสัตว์ตีรฉาน มันคุ้มดีคุ้มร้ายแต่บางครั้งมันก็ดีดีเหมือนจะไม่มีอะไรแต่บางครั้งโอ้โหมันกระโดดขึ้นไปเกาะคออลไยงั้นะอืะเกาะคอตะกุยตะไก่บางทีตูเล็บของมันอะเป็นไงลูกหลานอุดร น, นักศึกษานักเรียนมาพักวัดหลวงพ่อเงียบดีนะกลางคืน ตามไม่จริงพวกเราลูกหลานชาวพุทธควรจะศึกษาเรื่องพุทธศาสนาให้เข้าใจให้ท่องแท้ให้ลึกซึง้งเพราะหลักของพุทธศาสนานี่สอนคนให้เป็นคนดีตามระดับขั้นสมัยเป็นเด็กควรทำยังไงสมัยผู้ใหญ่ควรทำยังไงสมัยเป็นพ่อบ้านพ่อเมืองเราเป็นยังไงในเมื่อเราออกบวช เป็นนักรศนักบวดแล้วควรทำตัวยังไงคณะเป็นผู้หญิงก็เป็นชีเป็นแม่ชีควรทำตัวอย่างไรอย่างนี้แต่ว่าตามไม่จริงธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้เลือกชาติชั้นบรรณะถ้าว่าใครปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคนนั้นก็ถึงมรรคนิพพานได้อย่างคุณแม่ชีแก้วที่หลวงพ่อจะคิดจะทำคิดสร้างเดีให้ท่านน่ กระดูกของท่านก็เป็นพระาธาตุเหมือนกับครูบาอาจารย์ให้เห็นเป็นสักขีพยานเพราะท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนได้สำเร็จมรรคผลอย่างที่องค์หลวงตาท่านรับรองว่า ง, งั้นเถอะอันนี้ก็เป็นแม่ชีแต่ก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเพราะนั้นธรรมะของพระพุทธศาสนาธรรมะของพระพุทธทเจ้ามม่ได้เลือก ชาดชั้นบรรณะถ้าใครปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เป็นคุณงามความดีสำหรับคนคนนั้นร่มเย็นเป็นสุขแก่กลุ่มนั้นบุคคล น, นั้นคณะนั้นประเทศนั้นถ้าว่าไม่มีธรรมในจิตใจมีแต่กิเลสโลภโกรดหลงก็มีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายนั่นะสมัยเป็นเด็กควรทมยังไง เวลาเป็นผู้ใหญ่ทำยังไงอันนี้ในหลักของพุทธศาสนาท่านก็สอนนะแต่บางครั้งกกับยุคสมัยนี้รู้สึกว่าฝืนฝืนกันเหมือนกันนะในพระไตรปิฎกนะฝืนกันยังไงพระพุทธเจ้าท่านยังยกชาดกนะยกชาดกขึ้นมาแต่ยุคสมัยทุกวันนี้การลงไม้เลียวเด็กเนี่ยเป็นความผิดอย่างร้ายแรง เป็นนาตำแหน่งแต่ในพระไตรปิฎกในท่านบอกว่ามันต้องดูเหตุการณ์ถ้าสมควรจะลงไม้เลี้ยวก็ต้องลงไม้เลียวถ้าคงสงคนที่จะสอนก็ทำมาราก็สอนท่านก็เลยยกเป็นชาดกขึ้นมาสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราเป็นทิศัปะโมกอาจารย์เป็นคณาจารย์สอนศิษย์ อยู่เมืองตะกะศีลาสมัยนั้นเจ้าฟ้าชายในหัวเมืองต่างๆก็ไปเรียนวิชาจากทิศสะปะโมกอาจารย์เพราะท่านมีชื่อเสียงโด่งดังในการสั่งสอนศิษย์ทีนี้คนเจ้าฟ้ามาหากษัตริย์หัวเมืองต่างๆก็ส่งเข้าไปศึกษากับทิศสะปะโมกอาจารย์ท่านนี้เพราะท่านเป็นผู้รอบคอบ ว่าเข้มงวดกวดขันว่างั้นที่จะสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดีแต่นี่ก็ส่งเข้าไปแล้วก็เจ้าฟ้าเมืองพาราณสีในสมัยนั้นก็ว่ากรุงพาราณสีนี่เป็นเมืองใหญ่ในชมพูทวีในข่าวนั้นถ้าเป็นทุกวันนี้ก็คงจะเป็นประเทศที่มหาอำนาจแต่ก็ส่ง ล, ลูกเข้าไปเรียนหนังสืออยู่ที่เมืองตะกด ศ, ศิลา เมืองตะกัสิลาเป็นเมืองวิชาหาความรู้ในยุคสมัยนั้นเพราะสงเข้าไปเจ้าฟ้าชายนี่ก็ไปอยู่กับอาจารย์กับคณะศิษย์หลายหลายคนวันหนึ่งอาจารย์ก็พาไปอาบน้ําเดินไปท่าน้ําลูกศิษย์ตามหลังไปก็เป็นเก้าคนสิบคนเน่ยเดินเดินตามหลังไปแต่ลูกศิษย์ที่เป็นเจ้าฟ้าชายกรุงพระนรศีเนี่ย ไปเห็นยายแก่ตาบถั่ว <c oughs> คงจะเป็นถั่วที่สงนะมั้งอยู่ข้างทางเดินเจ้าฟ้าชายนี่ก็ไปหยิบเอาหน่อยนึงอาจารย์ก็มองยายแก่ก็มองก็เห็นว่าเด็กหนุ่มเขาคงหิวมากก็เดินผ่านไปแต่อาจารย์ในตำแหน่งแล้วบอกว่าก่อนที่จะหยิบอะไรไปมันต้องขอเจ้าของเขาก่อน พรเจ้าของเขาก็นั่งอยู่และอีกอย่างหนึ่งของเขาก็เอามาตัดแดกเอาไว้เราจะไปหยิบเอาโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวมันไม่ถูกอาจารย์ก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรเพราะเป็นเด็กหนุ่มก็เดินผ่านไปพอตัวมาอีกหลายหลายวันเดินผ่านไปอีกเจ้าฟ้าชายนก็ไปกำเอาใหญ่พอสมควรเหมือนกันแตอาจารย์ก็เหลือไปเห็นยายแกนก็มอง ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เดินผ่านไปพ่ายชายก็ ก, กินินียถั่ถวลิสงไปเรื่อยอย่างั้นนะพอต่อมาอีกคราวนี้เอาใหญ่เลยวงั้นะกรรออกเต็มกรรเลยเดินผ่านไปยายแก่เ น, นกัดปวดไม่ไหวงนั้นเป็นครั้งที่สามเลบอกว่าอาจารย์ทำไมลูกศิษย์ของอาจารย์ไม่มีนิสัยดีสเสลย ก่อนที่จะเอาของในฉันก่อน่าจะบอกซะก่อนฉันอนุญาตซะก่อนจึงจะเอาอันนี้อันนี้เป็นครั้งที่สามแล้วฉันอดทนไม่ไหวแล้วถ้าอาจารย์ยังเลี้ยงสิทธิ์อย่างนี้ไว้อยู่ดิฉันว่าไม่ไม่ดีแนอ่อาจารย์ทำอย่างนี้ทำไมสิทธิ์ของอาจารย์ทำไมไม่สอนลูกสิทธิ์ของอาจารย์บ้างยายแก่เขาตะโกนอาจารย์ก็เห็นเลยบอกวาเนีย ผมดูสองสามครั้งแล้วมันน่าจะซุบซรู้ได้ทำไมจึงทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องผิดผู้เข้ามาศึกษานี่ต้องเชื่อฟังต้องสังเกตทำตัวอย่างนี้ได้ยังไงก็อพออาจารย์เอา้าจับพวกลูกน้องที่ไปด้วยกับอาจารย์สั่งก็จับจับแขนมากับอาจารย์กั ใช้ชี้ไม้ไผ่หวดก้นเลยว่างั้นเถอะหวดก้นฟ้าชายว่างั้นเถอะใส่เพีย้ยเพีย้ยเพีย้ยเสร็จแล้วไปเดินไม่พูดไม่อะไรเลยท่านเองอ่งฟ้าชายก็ไม่พูดแหละอาจารย์ก็ไม่พูดผลที่สุดความเจ็บใจอยู่ในใจของฟ้าชายเนี่ยขนาดหนักเลยว่างั้นเถอะแปลว่าอาจารย์ไม่ให้เกียรติ อาจารย์ดูถูกอาจารย์ไม่ให้เกียรติขนาดเราเนี่จากไหนอาจารย์ก็รู้อยู่แล้วเป็นฟ้าชายของเมืองพาราณสีใหญ่ในสุขภูทวีปอาจารย์ทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ได้ยังไงในใจของฟ้าชายนะจากนั้นก็กลับมาอาจารย์ก็สอนวิ ช, ชาตามปกติจนจบเพราะงั้นเถก็ไม่มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นไปบอกอยู่แบบสงเเหนมเกียมตัวเพราะงั้นเถอะเพราะโดนอาจารย์ไม่ไว้หน้าเลยเนี่ ถ้าขืนทําผิดอาจารย์ก็ต้องซัดอีกว่างั้นเถอะทีนี้พอจบแล้วก็เลยกลับไปอาจารย์ก็ให้โอวาตในการไปปกครองประเทศชาติบ้านเมืองต้องมีคุณภาพต้องมีคุณธรรมต้องมีจริยธรรมวิ ช, ชาจรณะสัมปันโนวิ ช, ชาคือความรู้จรณะคือความประพฤตินำไปแนะนำสั่งสอนประชาชน ูตไตบังคับปัญชาถ้ามีคุณในธรรมในจิตใจแล้วก็จะมีความร่มเย็นผาสุขอย่างที่อาจารย์สอนทั้งหมดนี่แหละอาจารย์ให้ใหโอวัตรครบลูกศิษย์แล้วก็กลับไปพอกลับไปก็เป็นที่ชื่นชมของบิดา พ, พระบิดาก็เลยพอสวรรคตแล้วกเเ็เป็นพระเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนเป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนพระบิดา พอเป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนพระบิดาจัดการงานเข้ารอบเข้ารอยเสร็จแล้วในความในใจที่โมโหให้อาจารย์เนี่ยยังกลุ่นขึ้นมาเป็นเป็นครั้งเป็นครั้งเป็นครั้งเหมือนกันเถอะว่าอาจารย์เนี่ยทำเกินเหตุตีตุกใช้ไม้เลียวตีตัวเองต่อหน้าฐานะกำนันหมู่พวกเพื่อนหน้าอดสูดูได้หน้าละอายเป็นอย่างมากอาจารย์ไม่ให้เกียรติเลย คำนี้มันอยู่ในใจของของพระเจ้าเป็นดินหนุ่มเหมือนกันเถอะถือยังไงล่าข้าต้องแก้แค้นให้ได้ต้องตัดหัวให้ได้ตัดหัวอาจารย์ให้ได้เหมือนกันอะผลี <c oughs> นสุดกส็ส่งสารไปบอกว่าอาจารย์ผมได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วนะเอถ้าขอเชิญอาจารย์มาเยี่ยมผมด้วยอืผมได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วทางอาจารย์ก็ได้รับจดหมายจาก ลูกศิษย์นะที่เป็นพระเจ้าเป็นดินที่โศงศานมาบอโอ้ไอ้กีดื้อเนี่ยไอ้โดนไม้เลียวเราเนี่ยได้เป็นพระเจ้าเป็นดินแล้วไงยังคิดถึงเราอยู่วะเออเขาโศงสานมาเออเราควรจะไปเยี่ยมเขาบ้างปะอาจารย์ก็มาได้คิดว่าเขาจะผูกอ า, อาคาศพยาบาทจองเวรใช่ไหมอาจารย์กับเขียนจดหมายกับด้วยความใจซื่อเพราะเป็นในฐานะอาจารย์สอนแล้วก็แล้วให้ความรู้แล้วก็แล้วไม่ได้ผูกอาคาศแก่ใครทั้งหมด ถึงจะใช้จะผูกอาฆาตอาจารย์ก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าหน้าที่ของอาจารย์ ท, ทําดีที่สุดแล้วในฐานะของอาจารย์ทีนี้ถ้าเกไปเยี่ยมมไปเยี่ยมฟ้าชายใช่ไไปเยี่ยมพระเจ้าแผ่นดินพอไปถึงพระเจ้าแผ่นดินอาจารย์ก็เข้าไปในในในวังพระเจ้าแผ่นดินก็นั่งอยู่ในบันลัง พวกเสนาอมัดทั้งหลายเมันพออาจารย์เข้าไปก็บอกชี้นาอาจารย์เลย อ, อ, อาจารย์เนี่ยเข้ามาคราวนี้นะอาจารย์คิดถูกหรือยังเข้ามาคราวนี้เข้ามาในปากราชสีนะ เ, ออเข้ามาในปากเสือนะอาจารย์เข้าใจไหมอาจารย์จําได้ไหมสมัยผมไปเรียนหนังสือนะ่ะทาไมอาจารย์ทําให้ผมจนอับอายขายหน้าอย่างสุดๆเลยไอ การเคียนตีของอาจารย์ในครั้งนั้นอ่ะมันไม่ได้เจ็บอยู่ที่ก้นของผมมันเจ็บอยู่ที่หัวใจมันเคียนอยู่ในกานเคียนหัวใจของผมอเพราะฉนั้นอาจารย์มาคราวนี้ผมไม่ให้ชีวิตอาจารย์แน่นอนอาจารย์จงจงตัดหัวอาจารย์แน่ละคราวนี้อาจารย์รู้ไหมที่สั่งมาเนี่ยผมต้องการล้างแค้นที่ท่านอาจารย์ทําให้ผมนอาจารย์เข้าใจไหมอาจารย์ไม่รู้จะทํายังไงพวกเข้าในปากเสือเลยใช่ไหม อาจารย์ก็ยืนจังก้าขึ้นมาเลยบอกว่านี่นะถึงท่านจะตัดศีรษะข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ยินดีในในฐานะที่รักข้าพเจ้าในคราวนั้นข้าพเจ้านำทำหน้าที่ของอาจารย์ทำข้าพเจ้าทำดีที่สุดท่านต้องคิดดูเสียว่าการกระทําอย่างนั้นของท่านมันถูกต้องไหมถ้าว่าท่านทําอย่างนั้นเราไม่สอนท่านท่านจะมีวันนี้ไหมอาจารย์ว่า ถ้าหากว่าเราไม่สอนท่านในวันนั้นท่านอาจจะพระราชาจะมีวันนี้ไหมมีวันนั้นจึงมีวันนี้เพราะฉนั้นท่านจงจําไว้อันนี้คือเราในฐานะอาจารย์เราไม่กลัวตายในทำหน้าที่ของอาจารย์ผิดก็ต้องบอกว่าผิดถูกก็ต้องบอกว่าถูกสิ่งไหนไม่ดีไม่เหมาะสมไม่งามไม่เหมาะสมข้าพเจ้าจะสอนสั่งอย่างนั้น จะไม่เป็นอย่างอื่นโดยเด็ดขาดเราทําหน้าที่ของอาจารย์ให้เต็มที่พอพระราชาได้ยินอย่างนั้นลงจะบรนลังอนะไรประมาณนั้นมากราบเท้าอาจารย์นะบอกว่าถ้าผมอาขอกราบเท้าอาจารย์ถ้าท่านอาจารย์ไม่ทําวันนั้นผมก็คงไม่มีวันนี้ผมขอกราบคารวะมาอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสุดซึ่ง ตั้งแต่นี้ต่อไปกระผมจะตั้งท่านอาจารย์เป็นประธานที่ปรึกษาของกระผมสรุปแล้วก็คือเป็นประธานองค์ขมูลทีอย่างทุกวันนี่แหละเอางั้นก็ เ, เลยให้ยศถาบรรดาศักอาจารย์ไปเลยนี่แหละมาพิจารณาดูแล้วสิทธิ์กับอาจารย์เนี่ยจะบังคับว่าไม่ไม่ให้อาจารย์พูดแรงด่าแรงลงไม้เลียวเนี่ย มันก็ไม่ถูกแต่ถ้าอาจารย์ทําด้วยอารมณ์โมโหโทโสโกรธเกลี้ยแล้วก็ทรมานลูกศิษย์จนถึงความเสียหายอันนั้นก็ไม่ถูกไม่ใช่ฐานะของอาจารย์อาจารย์เป็นเปรตเป็นอสุรกายไปแต่ว่าการกระทําทําด้วยเมตตาแต่ว่าคํานี้มันหายากเหมือนกันนะอาจารย์เนี่ยตอทิสกอสิเนี่ยหายากโดยมากมีแต่ อาจารย์เป็นอาจารย์ขึ้นมาแะ้วกันนะี่ขยักวิชาต้องเอยงไหมมันจะสอนให้เต็มที่ก็ไม่สอนถ้าว่าไปสอนพิเศษเนี่ยจึงให้วิชาเขาเต็มที่แต่สอนอยู่ในโรงเรียนขยักเอาไว้อันนี้แปลว่าไม่ใช่อาจารย์ที่แท้จริงอาจารย์ที่แท้จริงนะแนะนำแนะนดีให้เรียนดีบอกศิลปะให้ชื่นเชิงไม่ปิดบังอำพาง ยกย่องให้ปรากฏในเพื่อนฝูงจะไปในทิศไหนไม่ให้อดอยากอันนี้คือหน้าที่ของอาจารย์นะแนะนําดีให้เรียนดีบอกศิลปะให้ชื่นเชิงไม่ปิดบังอ้ำพางยกย่องให้ปรากฏในเพื่อนฝูงจะไปในทิศไหนไม่ให้อดอยากอันนี้คือหน้าที่ของอาจารย์ทุกหน้าที่ของศิษย์คืออะไร เ, ออเมื่อเห็นอาจารย์มาลุกขึ้นยืนรับลุกขึ้นยืนรับ ให้ข้าวแสดงความเคารพในอาจารย์เข้าไปคอยรับใช้ด้วยเชื่อฟังด้วยอุปถักต์ด้วยเรียนศิลปะวิทยาโดยเคารพนีอันนี้คือหน้าที่ของสิทธิ์นะพวกผู้ได้เจ้าท่านสอนไม่หมดสิทธิ์กับอาจารย์ทําหน้าที่อย่างไงต่อกันเพราะฉะนั้นวันนี้ได้หลวงพ่อได้พูดฐานะสิทธิ์กับอาจารย์ให้พวกนักศึกษาพระทั้งหลายได้รับรู้รับทราบนี่แหละ ครูบาอาจารย์เป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรพ่อแม่เป็นบุคผาอาจารย์เป็นอาจารย์คนคนแรกของบุท ธ, ธิดาเราเกิดมาเรามาเกิดมายังไงพอเกิดมาแล้วพ่อแม่เป็นคนสอนป้อนข้าวป้อนน้ำอาบน้ำอาบ่าให้หลับให้นอนดูหมดทุกอย่างสอนหมดทุกอย่างคือการทำให้นะคือการสอนลูกล่ะ ต่อมาก็ลูกก็ใหญ่ขึ้นมาเป็นทุกเด็กสองสามขวบพ่อแม่ก็ออกส่งเข้าโรงร่ำโรงเรียนเสียเงินคํำทรัพย์สมบัติเท่ไาไรไม่ว่าอย่างทุกวันนี้โรงเรีย น, นดีๆเสียไปตั้งหลายแสนกว่าจะได้ลูกเข้าไปเรียนหนังสือจากนั้นก็ลูกก็ได้เรียนหนังสือส่งเสียจนลูกได้รับปริญญาตรีโทเอกแต่บางคนลูกคูกลูกบางคน ไม่รู้จักพระคุณของพ่อของแม่เลยเหมือนกับตัวเองเป็นเทวดาอย่างนั้นน่ะเพราะนั้นพวกเราลูกหลานทุกคนนะให้ําเหนกํนกเาเนก้อกไว้พ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งเลี้ยง ด, ดูเรามาส่งเสียเรามาจากนั้นเราทดแทนพระคุณของท่านมากน้อยแค่ไหนบางทีท่านก็ตายไปก่อนยังไม่ได้รับการทดแทนทดแทนจากเราแต่บางคน พอทำการทำงานขึ้นมาหาว่าพ่อแม่ไม่รักตนเองบ้างหาว่าพ่อแม่ไม่ส่งเสริมตนเองบ้างโกรธโมโหโทรโสให้พ่อให้แม่ผลที่สุดบางคนมากกว่านั้นหาว่าพ่อแม่เนี่ยไม่รักตนรักคนอื่นผลที่สุดข่าพ่อข่าแม่ข่าพ่อข่าแม่ลา้างหนี้ไว้งั้นเพราะตัวเองเป็นเป็นหนี้พ่อแม่ได้ฆ่าพ่อข่าแม่เพื่อล้างหนี้ไว้เงิะ เอออันนี้แปลว่าลูกอาการตัอยู่ถูกลูกทารพีสังหารพ่อแม่เพราะนั้นพวกลูกหลานทุกคนเป็นชาวพุทธนะที่หลงพ่อพูดให้ฟังแต่เบื้องต้นครูบาอาจารย์พ่อแม่เหมือนก้นนะ เ, เป็นผู้มีพระคุณสำหรับพวกเราควรจะเทิดทูนควรจะคิดให้ดีในจิตในใจกว่าจะก่อนจะตาหนินี่พ่อจะตำหนิแม่ก่อนจะตาหนิ ครูบาอาจารย์ต้องคิดให้ดี是是เราเป็นใครท่านมีพระคุณยังไงเราให้แทนทุนของท่านอย่างไรสิ่งเหล่านี้เราต้องคิดให้ใหดีนะอันนี้พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนให้คิดน ะ, ะพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้พวกเรานึกคิดทบทวนพระคุณต่างๆปิดามารดาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณสําหรับเรามีใครบ้างเราเกิดมาในพบนี้ชาตินี้พระคุณ ที่ท่านทำไว้บุพาการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนกระตันยูกระตะเวทีเมื่อท่านทบเมื่อท่านทำบุญคุณแก่เราแล้วเราควรจะทบทดแทนบุญคุณของท่านคือบิดามารดา น, นี่แหละคือพ่อแม่นี่แหละที่ท่านผู้มีอุปการะคุณนะวันนี้หลวงพ่อได้พูดให้ลูกหลานฟังเสียยืดเจ้าตอนนี้ไปรับพ่อนะนาตรีนะอนุโมทนาให้พรน